แค่โกหกต้องตกนรกเลยเหรอถามได้ยินว่าแค่โกหกก็ต้องตกนรกแล้วโทษหนักเกินไปหรือเปล่าในเมื่อชีวิตประจำวันของคนเรานั้นย่าที่จะหลีกเลี่ยงการพูดเท็จอย่างเนี้ยตอบที่เคยได้ยินมานั้นพักไว้ก่อน ลองดูว่าคนที่รู้ดีที่สุดท่านพูดว่าอย่างไรดีกว่าครับการโป้ปวดมดเท็ดนั้นเมื่อใครเสพแล้วเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังให้มีกำเนิดในนรกในดีรัฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งมูสาวาสอย่างเบาที่สุดย่อมยังการกล่าวตูด้วยคำไม่เป็นจริงให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ พอลองดูอย่างละเอียดรอบคอบก็จะพบว่ามีเงื่อนไขของการไปนรกเพราะมูสาวาดอยู่นั่นคือเสพจนติดเพราะเลี้ยงตัวกโกหกจนมันเติบโตขึ้นเป็นนิสัยถาวรปั้นน้ําเป็นตัวบ่อยซะจนชินชาหน้าไม่ไอายเมื่อเหล่งเข้าไปที่จิตใจของผู้สร้างนิสัยโป้ปดมดเ ท, ท็จจนเคยตัวจะเห็นว่ามีความดํามืดมีความบิดเบี้ยวเลอะเลือน และที่ธรรมชาติเขาพิพากษาไว้ก็คือหากจิตชุ่มด้วยบาปสกปรกมาลอกมาแลกดูไม่ได้ก็จะต้องมีที่ไปเหมาะกับความสกปรกโสมมมของตนเองอีกประการหนึ่งตัวมุสาตัวเดียวมันเหมือนเชื้อโรคร้ายสามารถแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นโรคอื่นได้ไม่รู้จบจะเปรียบเทียบเหมือนกับเอส ที่เข้าไปทำลายภูมิต้านทานโรคต่างๆในร่างกายมนุษย์ก็ได้เมื่อใดที่ความละอายถูกทำลายลงเมื่อนั้นคนเราย่อมหมดความยับยั้งชั่งใจที่จะกระทำบาปพร้อมจะก่อเวรก่อกรรมได้ทุกชนิดสมดังที่พระพุทธเจ้ามีพระดำรัสคือเรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่แก่ใจที่จะไม่ทาบาปการรมแม้น้อยหนึ่งนั้น ย่อมไม่มีโกหกหนึ่งครั้งคือสร้างความบิดเบี้ยวให้กับจิตหนึ่งหนสังเกตดูก็ได้ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครั้งต่อไปลองพูดปวดแบบรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องมันไม่จริงพูดเสร็จให้ดูเข้ามาในใจตัวเองจะเห็นความฟุ้งซ่านจับไม่ติดหรือแม้หากว่าพื้นฐานเป็นผู้ทรงสติเป็นเยี่ยมอย่างน้อยที่สุด คุณจะเห็นความเย็นชาของจิตมีความรู้สึกอยากเย้ยโลกและเห็นว่าการสร้างข้อมูลเท็จได้แนบเนียนคืออำนาจที่แท้จริงความจริงยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือสัจจะความจริงนั่นแหละอำนาจสูงสุดเมื่อคุณพูดถึงความจริงบ่อยๆพูดอย่างมีสติทั้งรู้ว่าบางครั้งอาจก่อผลด้านลบให้กับตนเองแต่ละครั้ง คุณจะรู้สึกถึงพลังความมั่นคงทางใจและความสามารถรู้เห็นอะไรๆ ไ, ได้ตามจริงราวกับคนเคยสายตาสั้นได้แว่นที่จกักษุแพทย์มอบให้มาพูดถึงความจำเป็นต้องโกหกในชีวิตประจำวันกันบ้างการโกหกหมดเทสนั้นมีหลายแบบแบบที่เดือดร้อนคนอื่นมากก็มีไม่เดือดร้อนใครเลยก็มี โกหกโดยเจตนาให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายก็มีโกหกเพราะมาดหมายเอาประโยชน์เข้าตนก็มีโกหกทุกวันจนติดเป็นนิสัยก็มีนานๆโกหกทีก็มีโกหกแบบหยอกล้อเล่นหัวเพื่อให้หัวเรากันก็มีโกหกแบบตลกเลือดจะให้ตระหนกตกใจปางตายก็มีตัวแปรต่างๆจะทําให้เกิดน้ำหนักปิดแผกแตกต่างไปที่เห็นผลใกล้ที่สุด ก็คือความบิดเบีย้ยวทางความรู้สึกอันเป็นของรู้เฉพาะตนซึ่งผู้มีความสามารถอย่างรู้ว่าราจิตก็ทราบได้แต่คนทั่วไปเขาจะไม่รู้สึกถึงความบิดเบีย้ยวอันนี้ในเราเลยความบิดเบีย้ยวทางจิตเป็นอย่างไรขอให้ลองดูตอนคุณโกหกคำโตเมื่อไรโกหกเสร็จลองพยายามรู้ตามจริงว่าหายใจเข้าหรือออก ให้ได้สักสิ์ครั้งนับดูสิครับว่าจิตมีความสามารถตามรู้ไปได้จริงๆกี่ครั้งเสร็จแล้วเอาใหม่ถ้ามีโอกาสให้โกหกเพื่อประโยชน์ของเราแต่เราไม่เอาจะเอาแต่ความจริงพูดแต่คำที่เป็นสัตว์พูดออกมาจากใจที่ซื่อทางโลกแต่เจ้าปัญญาทางธรรมพอพูดเสร็จสังเกต ด, ดูว่ารู้สึกดีอย่างไรเกิดความมั่นคงทางใจแค่ไหน ขอให้ทราบว่านั่นแหละอำนาจแห่งสัจจะที่เราได้รับในทันทีลองพิสูจน์ให้เห็นอำนาจนั้นชัดขึ้นด้วยการตามรู้ลมหายใจเข้าออกสิบครั้งแล้วจะรู้ว่าเราทำได้ไม่ยากเลยความสามารถรู้ตามจริงนั้นโดยทั่วไปคนเราถือเป็นเรื่องผิวเผินแต่ที่แท้มีความสำคัญยิ่งด้วยกับชีวิตเพราะเมื่อสามารถรู้ได้ตามจริง ก็ย่อมเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษคนเราเมื่อรู้จักประโยชน์ย่อมเก็บเกี่ยวแต่ประโยชน์มาสั่งสมไว้ให้พอกพูนแต่เมื่อไม่รู้ว่าอะไรเป็นโทษก็อาจพลาดตักตวงมันเข้ามาด้วยความละโมบโลภมากเหมือนกองขยะแห่งบาปกรรมส่งกลิ่นเน่าเหม็นเพียงใดก็ไม่รู้สึกเพราะจมูกแห่งมโนธรรมมันตายด้านไปซะแล้วนี่แหละสังเกตจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับเราเอง เอาเราเองเป็นที่ตั้งของเครื่องวัดก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ขู่เล่นท่านตรัสชี้ว่าอะไรเป็นอะไรตามจริงต่างหาก